ความสะอาดคำ ว, ว่าความหมดจดหรือความบริสุทธิ์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าหมดจดจากกิเลสตัณหานะหมดจดจากกิเลสตัณหาหมดจดจากอสุหนะหมดจดจากอสวะอันนี้ก็มีอุเทศได้แสดงไว้ว่าปัญญายะบริสุทธิ์ตนะิปัญญายะบริสุทธิ์ติคนย่ม หมดจบได้ด้วยปัญญาหรือย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาในข้อที่สองว่าเอสมัคโควิสุทธิยานั่นคือนิพิทาเป็นทางแห่งวิสุทธิ์หรือเป็นทางแห่งบริสุทธิ์นะเป็นทางแห่งบริสุทธิ์ทีนี้ก็มีปัญหาที่น่าจะาคบคิดก็คือว่าการทำบา าการทําบาปเมื่อทําแล้วก็ได้ชื่อวา่าอ่าทําแล้วย่อมเป็นมรดกตกอยู่กับผู้ที่กระทํานั้นจะโยนมอบไปให้ผู้อื่นไม่ได้หรือจะปัดเป่าชําระล้างให้หมดไปโดยวิธีใดๆย่อมไม่ได้เช่นเดียวกันจะลอยบาปอาด้วยวิธีอาบน้ําก็ไม่ได้เพราะบาปไม่ใช่เป็นมลทินของร่างกายหรือว่าสิ่งโสโครกแต่จะชําระอาจะชําระ ให้หมดไปจะอ้อนวอนพระเจ้าโปรดประทานโทษให้ก็ย่อมไม่ได้อีกเหมือนกันนะอันนี้ลัทธิพราหมณ์ถือว่าการลอยบาปเสียได้ในแม่น้ำคงคาก็ถือว่าบริสุทธิ์นะถือว่าบริสุทธิ์เราจะเห็นว่าจึงเขาจึงมีวันสำคัญของพวกพราหมณ์จึงอาบน้ำกันในแม่น้ำคงคาซึ่งแม่น้ำคงคานั้นก็ถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่าบางทีดำน้ำนําลงไปแล้วก็ตําเพื้นพื้นใต้น้ํานั้นก็มีแต่ซากศพนะมีแต่ซากศพบําพทีจะเห็นศพไปลอยพระอยู่ตามชายฝั่งแม่น้ํำคงคามีอีแรงอีกานี่ค อ, คอยจิกกินเป็นจํานวนมากนี่เรียกว่าอย่างนี้จะว่าเป็นแม่น้ําสักติดยังไงคืูได้เราพูดว่าสักติ์เหมือนกันหมายถึงว่าคนที่ไปอาบแล้วก็ทําให้เกิดโรคมาก นทําให้เกิดโรคมากทําให้เกิดลมหายใจเจ็บกันเยอะนนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์อิ่เหมือนกันอืมเราถือว่าเป็นแม่น้ําที่มาจากสวรรค์นมาจากสวรรค์เขาถือว่าถ้าเราได้อาบน้ําดําหัวไปในน้ำทะเลแล้วก็บาปมันก็หมดไปอืมบาปหมดไปเรียกว่าอพูดเหมือนกับว่าอบาปนี่มันติดอยู่ตามร่างกายเหมือนกับเหงือ่อเหมือนกับไข่ พอเราดำถูๆไปแล้วพอดำก็ลอยเป็นแพไปเลยลอยเป็นขว า, าไปเลยว่างนั้นเะนะอย่างนี้ก็อนี่เป็นเป็นลัทธิของพวกพราหมณ์นะของพวกพราหมณ์อส่วนพวกอลัทธิขึ้นตังก็ถือว่าการอ้อนวอนพระเจ้าให้ยกโทษให้นะอ่าให้ยกโทษให้อืก็ถือว่าเป็นการล้างบาปคือว่าให้ทุกคนเนี่เอาใจให้รักพระเจ้ามากๆ เอาใจไปไว้ที่พระเจ้าอเอาใ จ, ไป ไ, จาาไปไว้ที่พระเจ้าอ่าเมื่อตายไปแล้วจิตก็จะไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าก็จะประทานพรให้พระเจ้าก็จะช่วยเนี่ยพระเจ้าก็จะช่วยอันนี้เขาก็หมายถึงว่าอาจิตนั้นเป็นอัตตานะจิตนั้นเป็นตัวเป็นต น, นะจิตนั้นเป็นตัวเป็นตนถ้าถ้าถือตามลัทธิทั้งสองนในรลกสวรรค์ก็ไม่ควรมีนไม่ควรมี เพราะใครๆก็ไม่อยากจะตกนรกเมื่อเป็นเช่นนี้สวรรค์ก็คงเนืองแน่นไปหมดนะแต่ทางพระพุทธศาสนานั้นมีความเห็นตรงกันข้ามนะมีความเห็นตรงกันข้ามคือเห็นยังไงการทำบาปเมื่อทำแล้วก็เลยชื่อว่าทำแล้วเรียกว่าบาปนั้นก็ตกอยู่กับผู้กระทำจะไปยื่นมอบให้ผู้อื่นไม่ได้หรือจะปัดเป่าชำระล้างให้หมดไป ก็ไม่ได้ทำบาปเองก็ย่อมสร้าหมองเองอันนี้มีหลักฐานว่าอัตนาวะัฏะตังปาปังอัตนาสังกิลิสติอัตนาอกตังปาปังอัตนาวะวิสุทธิติสุติอสุทธิปัจจัตังนานโยอัญยังวิโสทเยซึ่งถ้าแปลเป็นไท ย, ไทยก็ว่า ทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองก็ย่อมหมดจดเองความหมดจดและความเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตัวคนอื่นจะยังคนอื่นให้หมดจดหาได้ไหมอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าความบริสุทธิ์ภายในย่อมมีด้วยความบริสุทธิ์ภายในย่อมมีได้ด้วยปัญญาหรือย่อมจะเกิดได้ด้วยปัญญา ดังบาลีในกระทูที่หนึ่งว่าปัญญายะไปสุจติคนจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยอย่างอื่นไม่ใช่ด้วยอาบน้ำไม่โยกจิตไปไว้กับพระเจ้านะแต่ต้องมีด้วยปัญญาปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปนะความมืดก็หายไปฉะนั้นให้คนเราเนี่ยบริสุทธิ์ก็เพราะว่ามีความโง่ มีตัวอวิชชาเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานอยู่ในใจแต่เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตัดกิเลสตายคายกิเลสทิ้งเห็นจริงคือความไม่มีตัวไม่มีตนก็จะพ้นจากอาวิชชาพ้นจากความทุกข์พ้นจากกิเลสตัณหาถึงซึ่งที่สุดคือพระนิพพานได้นะฉะนั้นทางที่จะให้เกิดปัญญานั้นก็มีอยู่หลายทางนะมีอยู่หลายทาง อเป็นต้นว่าให้เราทุกคนนั้นเจริญวิปัสนาญาณทั้งเก้าเนีเจริญวิปัสนาญาณทั้งเก้าเจริญวิปัสนาญาณทั้งเก้าคืออะไรก็คือหนึ่งอุทย พ, พยานยเานีน่สองพังพย า, ยานสามอารถนวายาณสี่พยะตูปัฏฐานญยานห้านิปิทายานหกมุนจิตุกรรมมยตาญาณ เจ็ดปฏิสังขารยานแปดสังขารุปเปกยานเก้าสัจจานุโลมยานทั้งหมดนี้เรียกว่าวิปัสสนาญาณเก้าถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติาตามวิปัสสนาญาณเก้าก็จะทำให้เกิดปัญญาดได้อันนี้ก็จะขออธิบายเพียงยอยออุทยพย า, ยานก็ได้แก่การที่ พระอิยบุคคลผู้มาบำเพ็ญเพียรบุคผู้ที่หรือหมายถึงว่าพระโยคาวจรผู้มาพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารไม่เที่ยงนสังขารไม่เที่ยงเพราะเพ่งถึงความเกิดและความดับเรียกว่าเห็นความเกิดและความดับของสังขารด้วยปัญญาออุทยยพยัญชน่หมายถึงว่ารู้รู้ความเกิดความดับของรูปนามน รู้ความเกิดความดับของรูปนามอย่างนี้แหละเรียกว่าออุทยรพย า, ยานคือเพ่งความแปรไปชั่วขณะทีนี้มาในข้อที่สองพังคยานพังพยานนี่หมายถึงว่าเพ่งเอาความแปรปรวนไปชั่วขณะจัดเป็นพังพยานจัดเป็นพังพยานคือหมายความว่า เห็นความย่อยยับของสังขารเป็นอนัตตาย่อมเห็นในขณะเดียวกันหรือดังที่ในปัฉิมวาจาแห่งพระบาัาอสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่านัตเถตตังโลกัสมิงยังอุปาณิอุปาทิยมานังนวัชชังอัศจสิงใดเข้าไปยึดถืออยู่นะจิ่งใดเข้าไปยึดถืออยู่ จะพึงเป็นของหาโทษมีได้สิ่งนั้นไม่มีในโลกอันนี้ก็จัดเข้าในบาลีว่าอุปาทานังพยังทิศวาเห็นภายในการยึดถือแล้วจัดเป็นพยะพยะตูปัฐานยา น, นแต่ถ้าเราจะพูดอย่างหนึ่งก็คือว่าอาทีนวยญาณก็คือได้แก่การที่ผู้ที่มาเจริญ สมถวิปัสนาหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติได้เห็นสังขารว่าอเป็นทุกข์เป็นโทษนะเป็นทุกข์เป็นโทษอรู้สึกว่าสังขานี้มันมีการเจ็บปวดปวด่วยไข้มาว่า ง, งันเถอะเจ็บปวดปวด่วยไข้มากเดี๋ยวเป็นโรคเน้นเดี๋ยวปวนโรคนี้สารพัดนะมีทุกข์เหลือเกินอย่างนี้เรียกว่าอาทีนวญ มาในข้อที่สี่พยาตูปัฏฐานยานก็ได้แก่ผู้ที่ปฏิบัติมาพิจารณาเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวนะน่ากลัวเปรียบดังบ้านที่ถูกไฟไหม้เหลือแต่ซ่านะเห็นแล้วบางครั้งเกิดน่ากลัวนะไม่เป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยหรื อ, เ, อเรามาพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นของน่ากลัวเช่นนี้คือเห็นว่าบางครั้งเราจะเห็นว่า บางคนแขนขาดขาขาดนะหรือเราไปดูในตำโรงพยาบาลถ้าเราจะเห็นเขาผ่าตัดก็ตัวเราก็เหมือนกับตัดตัวหนึ่งเหมือนกับเขาผ่าทำห น, นูตัวหนึ่งนะเขาผ่าอกเอาไส้ออกอตัดโน่นตัดนี่ดูแล้วมันน่ากลัวนะน่ากลัวบางครั้งก็เหลือแต่อโครงกระดูกบางครั้งก็ตาโบ๋บางครั้งก็แย่เกี่ยวยิงฟันอะไรเงี้ย มือเหงกเท้างอเนี่ยมันรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะมันน่ากลัวไอ้ตอนเรามีชีวิตอยู่กันรู้สึกว่าดูมันน่ารักแต่พอตายไปแล้วรู้สึกเรากลัวทันทีกลัวทั้งทั้งทีบางทีคนที่ตายนั้นเป็นคนรักของเราด้วยตอนอยู่ดันแหม่เรากอดเรารัดกันเราจูบกันอะไรกันแต่ว่าพอตายแล้วก็เข้าใกล้ยังไม่อยากจะเข้าใกล้เดินไปยังไม่อยากจะมองดูนี่เรากลัวถึงขนาดนะเห็นไหมฉะนั้นจึงบอกว่าพยะตูปัฏฐานญาณอ่า ได้แก่ผู้ปฏิบัติมาพิจารณาเห็นว่าสังขารนี่ยมันเป็นของน่ากลัวนะเหมือนกับอาเรือนที่ถูกไฟไหมเหลือแต่ซากมาในข้อที่ห้าก็คืออนิพิทายานอานิพิทายานก็คือว่าเมื่อเราพิจารณาสังขารจนเกิดความเบื่อนหน่ายนะเห็นสังขารเป็นของไม่น่ารักน่าใคร ไม่น่ารักนครเพราะเราเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวแล้วก็ทำให้เราเกิดเบื่อเบื่อหน่ายในสังขาร อ, อ, อย่างนี้เรียกว่านิพิทายานเรียกว่านิพิทายานเมือ่อเมื่อเรามาพิดถึงนิพิทายานอย่างนี้นได้นิพิทายานอย่างนี้แล้วก็มาในข้อต่อไปก็คือมุญญิตุกรรมยตายานได้แก่การที่อาผู้ปฏิบัติ มาพิจรารณาเห็นสังขารมาเป็นของหน้าเบื่อหน่ายนหน้าเบื่อหน่ายเรียกว่าย่อมเป็นผู้ที่ประสงค์จะปลดเปลื่องอุปทานออกเสียไงปรารถนาที่จะหลุดพ้นออกไปไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะอยู่ในสภาวะอย่างนี้นรู้สึกมันเป็นทุกข์เป็นโทษเหลือเกินออยากจะหลุดพ้นเรื่องอุปทานออกไปที่ตัวยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นต้น like ตัวกูของกูเนี่ยอ่าเหมือนกับนกเขาอร้องของกูของกูอยู aged, ran, ่เลยแม้ว่าต้นไม้จะต้นนั้นจะมีดอกมีผลมากก็ของกูอยู่เลยแต่ตัวเองไม่ได้กินเลยนะตัวอื่นเอาไปกินหมดนี่นี่ก็ตัวอุปาทานนั่นเองท่านเรียบเหมือนกับคนที่ไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นคืออพ่อของเราแม่ของเราเมียของเราพ่อของเราลูกของเรานั่นทรัพย์สมบัติของเราอะไรอย่างเนี้ย จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเราเลย น, ะ, นะมันเป็นสมบัติของโลกนะเป็นสมบัติของโลกและเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้นะอพิจารณาอย่างนี้ก็แล้วก็เราก็พิจารณาต่อไปว่าปฏิสังขารยานได้แก่ผู้ปฏิบัติมาพิจารณาเพื่อหาอุบายที่จะหลุดพ้นจากสังขารเสียนะจากสังขารเสียคือหมายถึงว่า เมื่อเราพน้นรู้ว่านี่เป็นทางพ้นแล้วก็หาหาอุบายที่จะหลุดพ้นออกไปนี่ก็ข้อต่อไปก็คือสังขารุเตเกขยานได้แก่การพิจารณาวางเฉยในสังขารละความรักความไขในสังขารเสียได้เนี่ยละความรักความไขในสังขารเสียได้ต่อจากนั้นก็สัจจานุโลมิกยานได้แก่การพิจรณาเห็นโดยอนุโลมอริยสัจคือจัดเป็นภาวะของพระอริยะ สัจจานุโลกิมยา น, นี้เรียกว่าโคตรรุภูญานหมายความว่ายาณครอบโคตรคือล่วงภาวะเดิมอันอยู่ในอหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งภาวะแห่งความเป็นปุถุชนกับภริยะคือหมายความว่าเมื่อเราถึงสัจจานุโลกิมยานแล้วก็เท่ากับว่าเราจะหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาของความเป็นปุถุชนอไอ้กนะ้าวหนึ่งเนี่ย เก้าวซ้ายยังอยู่ในปุถุชนแต่ก้าวขวาไปแล้วถึงพระอิอยะแล้วเรียกว่าเพียงแต่จะ ย, ยกออีกข้างหนึ่งแค่นั้นก็เรียกว่าหลุดพ้นไปเลยนะหลุดพ้นไปเลย น, นี่ก็เป็นเรื่องของของวิสุธทธิความหมดจดความหมดจดความบริสุทธิ์คนเราจะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องด้วยปัญญาก็ด้วยการเจริญวิปัสสนาญาณทั้งเก้าทีนี้มาพูดวิสุธทธิอีกอย่างหนึ่งอที่ท่านได้แสดงไว้ว่า มัคคานัฏถังคิโกเศธโธละเอเสวะมัคโคนัฏถันโยทัศนัตสวิสุทธิยาทางมีองแปดเป็นทางประเสริฐสุดแห่งทางทั้งหลายทางนั่นแลไม่มีทางอื่นเพื่อหมดจดแห่งทัศนะอันนี้ก็หมายความว่าทางมีองแปด ทางมีองแปดหรือว่าพูด ง, ง่ายๆก็คือมรแปดนั่นเองนะมรแปดที่ท่านแสดงไว้ในทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาลิยสัตในธรรมจกกักรประวัตนสูตรท่านแสดงไว้แปดอย่างท่านแสดงไว้แปดอย่างก็คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สองสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ 3. าสัมมากรรมมันตะการงานชอบ 4. สี่สัมมาวาจาเจราจาชอบส ห้าสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบ 6, หกสัมมาวายามะพยายามชอบเจดสัมมาสติระลึกชอบแปดสัมมาสมาธิตั้งใจชอบนะในธรรมอาธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายอซึ่งเรียกว่าสังกัตธรรมนในมรรคแปดหรือมรรคมีองค์แปดเป็นยอดบรรดาทางทั้งหลายอทางมีองค์แปดเป็นยอดนี้เป็นทางสายกลาง คือเป็นมัชชิมะปฏิปทาเรียกว่าไม่ใกล้ในส่วนที่สุดทั้งสองอย่างคือกามสุขันลิกานุโยคคือความประกอบให้พัวพันอยู่ด้วยกามและอจกิละมัทฐานุโยคความประกอบตนให้ลำบากการประกอบตนให้ลาบา ก, าม ก, บบากเมื่อเวลาที่พระพุทธองค์ทรงจัดปฐมเทศนา สอนพระพิสุปัญจวักขีก็ทรงยกส่วนที่สุดสองอย่างเถอกรรมสุขาริการุโยกและอตตากิลมัทธานุโยกขึ้นคัดค้านก่อนว่ า, าบัรปชิตไม่ควรเศษเพราะไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ธรรมพิเศษได้จริงความจริงทางมีองแปดนี้แต่และอย่างละอย่างก็เป็นธรรมดีอยู่แล้วถ้าร่วมกันทั้งถ้ารวมร่วมกันทั้งแปดก็เป็นมัคคะสมังคีย่อมเป็นธรรมดียิ่งนัก แล้วก็เป็นทางที่เป็นทางทางเดียวนะเป็นทางทางเดียวที่จะนําผู้ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้นะให้ถึงความดับทุกข์ได้หรือถึงความหมดจดแห่งทัศนะได้นะนี่ก็เป็นทางที่จะให้เกิดปัญญาที่ใช้ถึงความหมดจดให้ถึงความบริสุทธิ์ก็ต้องดําเนินตามทางมัสมีองแตกและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่จะ ทางที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์หมดจดนั้นก็ได้แก่อวิสุทธิเจ็ดนะได้แก่วิสุทธิเจ็ดคือความหมดจดด้วยเจ็ดอย่าง<ม>คือหนึ่งสีลวิสุทธิอหมดจดความหมดจดแห่งศีสองจิตตาวิสุทธิอความหมดจดแห่งจิตสมทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นบริสุทธิ์สีกังขาววิจนาวิสุทธิ มีความบริสุทธิ์ในการข้ามข้นความสงสัยหรือว่าไม่สงสัยอีกแล้วแล้วก็มรรคมัคคายาทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์ในการเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นว่าทางและมิใช่ทางข้อที่หกปฏิปทาญาทัศนวิสุทธิบริสุทธิ์ด้วยความรู้ความเห็นว่านี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ อที่เจ็ดยานทัศนวิสุทธิบริสุทธิ์ด้วยความรู้ความเห็นอบริสุทธิ์ด้วยความรู้ความเห็นอย่างทองแทอ้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิสุทธิเจ็ดทางมีองค์แปดถ้าเทียบกับวิสุทธิเจ็ดก็คือว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะอันนี้ก็สงเคราะห์เข้าเป็นศีลวิสุทธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสงเคราะห์เข้าในศีลวิสุทธิ ที่สองศีลวิสุทธิที่สองได้แก่ตัวสมาบัติได้แก่ตัวสมาบัติอืได้แก่ตัวสมาบัติสัมมาทิฏฐิอสาัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสำกำปะในวินวิสุธทธิห้าเป็นลําดับเป็นวิสุทธิอันนี้ก็ได้แก่ตัวปัญญานะได้แก่ตัวปัญญา สัมมาวาย ما, มะสัมมาติสมาธิสงเคราะห์เข้าในสี่ละวิสุทธิอที่สองนะสี่ละวิสุทธิที่สองจิตตวิสุทธิขออธานโทษจิตตวิสุทธิส่องเคราะห์เข้าในจิตตวิสุทธิอได้แก่ตัวสมาบัตส่วนสัมมาทิฏิแล้วก็สัมมาสังกัปปะอันนี้ก็ได้ในวิสุทธิห้าตามลําดับนะในวิสุทธิ์ทห้าตามลําดับตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิกรรมขา วิเดนวิสุทธิมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและญาณทัศนวิสุทธินี่โดยลําดับอันนี้ถ้าหากว่าจะอธิบายถึงอาวิสุทธิเจ็ดพิณยอดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการชาระศิ่ให้บริสุทธิ์ก็เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดจิตบริสุทธิ์ได้ง่ายนะความหมดจดแห่งนะจิตนะจิตบริสุทธิ์ก็เป็นปัจจัย อที่จะทําความเห็นในบริสุทธิ์เมื่อความหมดจดแห่งทิฏฐิคือพิจารณาเห็นสังขารโดยใจลักษณอเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นทิฏฐิวิสุทธิต่อจากนั้นก็จะพิจารณาเป็นไปแห่งสังขารที่เนื่องด้วยเหตุนเรียกว่าเป็นกังขาวิจารณาวิสุทธิคือความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยอสงสัยคือคือหมายถึงว่า ข้ามคนแล้วไม่สงสัยแล้วน้อมจิตอไปว่าอย่างไรผิดอย่างไรถูกนี่เป็นมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิอาจากนี้ก็พิจารณาเลยเห็นอริยมรรคเป็นปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิครั้นต่อจากนั้นก็พิจารณาให้เห็นเป็นอริยผลเป็นญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะเมื่อปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วในลำดับนี้วิราคะก็ปรากฏทําอะไรทั้งสิ้น ที่จะพึงศึกษาเล่าเรียนจะพึงทรงจําหรือว่าจะพึงปฏิบัติที่สุดคือวิราคะความสิ้นกำลัดนั่นเองหาใช่อื่นไม่โดยใดนี้ท่านจึงกล่าวว่าวิราคะเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายนะเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายฉะนั้นถ้าหากว่าจะพูดเป็นคาถามว่า เมื่อเรามักมีองค์แปดกับวิสุทธิเจ็ดมาสงเคราะห์เข้าเข้ากันได้สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะมีหน้าที่ทำอะไรอย่างไรท่านจึงว่าจึงว่าได้ในวิสุทธิตั้งแต่ที่สี่ถึงที่เจ็ดอันนี้เราก็ตอบว่าสัมมาสังกัปปะมีหน้าที่ทำกิจพิจารณา สัมมาทิฏฐิมีหน้นาที่ทากิจสันนิฐานเป็นชั้นๆอย่างนี้พิจารณาเห็นสังขารโดยลักษณะจัดเป็นพิฏฐิวิสุทธิพิจารณาแลเห็นความแปรแห่งสังขารเนื่องด้วยเหตุคือจะเกิดหรือดับก็เพราะเหตุจัดเป็นกังขาวิจนาวิสุทธิพิจารณาแลเห็นสังขารด้วยอาการอย่างนั้นด้วยโยนิโสมนสิการกำกับ รู้จักน้อมติดอย่างไรถูกและอย่างไรผิดทางจัดเป็นมรรคามรคยานทัศนวิสุทธิพิจารณาเห็นสังขารพิจารณาเห็นสําสเร็จเป็นอริยมรรคจัดเป็นปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิพิจารณาแลเห็นเป็นอริยผลจัดเป็นญานะทัศนวิสุทธินี่ก็เป็นเป็นคําตอบนะเป็นคําถามคําตอบหรือถ้ายังมีคําถามอีกว่า จิตตวิสุทธิในวิสุทธิเจ็ดนั้นหมายเอาความบริสุทธิ์ชั้นไหนเป็นโลกิยะหรือเป็นโลกุตระอันนี้เราก็ตอบว่าหมายเอาความบริสุทธิ์แหง่งจิตชั้นสมาบัติและเป็นโลกิยะไม่ใช่โลกุตระนะไม่ใช่โลกุตระหรือจะถามว่าญาณทัศนวิสุทธิได้แก่อะไรเป็นโลกิยะหรือเป็นโลกุตระเพราะเหตุไร อันนี้เราก็ตอบว่ายาธธนทัศนวิสุทธิได้แก่ยานอันสัมปยุทธ์ด้วยอริยมรรคทั้งสี่เป็นโลกุตระเพราะตั้งอยู่ในอริยภูมิมิใช่วิสัยของโลกียจิตจะพึงบรรลุนะจะพึงบรรลุหรือถ้าจะมีคำถามว่าวิสุธทธิเจ็ดจะย่อให้เป็นสามได้ไหม ถ้าได้ขอให้ย่อมาให้ดูด้วยอันนี้เราก็ตอบมาได้ศีลวิสุทธิเป็นศีลนิจตวิสุทธิเป็นสมาธิอทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิทนาวิสุทธิมัคามัขยานทัศนวิสุทธิปฏิ ป, ปทาญาณทัศนวิสุทธิและยาณทัศนวิสุทธิทั้งห้าเป็นปัญญานเป็นปัญญาอันนี่ก็พูดเกี่ยวกับเรื่อง วิสุทธ์นะหมายพูดถึงเรื่องอวิสุทธิคือความหมดจดนะความหมดจดแห่งจิตความหมดจดแห่งกิเลสตัณหาถึงซึ่งความบริสุทธิ์ก็คิดว่านักเรียนนักศึกษาก็พอจะเข้าใจนะก็พอจะเข้าใจพูดถึงเรื่องวิสุทธิเจ็ดนี้ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาโดย่องแท้แล้วก็จะทำให้เรานั้นเกิดความรู้ความเข้าใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามาพิจารณาเห็นสังขารด้วยอาการอย่างนั้นโดยใช้โยนิโสมนติการกำกับรู้จากน้อมจิตว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรผิดทางก็จัดเป็นมัคคยานทัศนวิสุทธิหมดจดแห่งยานทัศนะว่าทางหรือมิใช่ทางก็เป็นอันที่ห้าฉะนั้นในวารานี้อุปกิเลสแห่งวิปัสสนาอาจจะเกิดขึ้นก็ถ้าเราไม่หลงเพลิดเพลินและทนงตัว พิจารณาเลยเห็นว่าเป็นอุปกิเลสแห่งวิปัสนาอก็สําเร็จเป็นเรียมักจัดเป็นปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิหมดจดแห่งญาณทัศนะเป็นทางก็นับว่าเป็นทางที่หกเป็นทางที่หกฉะนั้นก็จะพูดถึงวิปัสนูปกิเลสนะวิปัสนูปกิเลสก็มีหนึ่งโอภาสแสงสว่างสองญาณะความรู้สามปีติความอิ่มใจสี่ปัจจติความสงบ ห้าสุขความสบายเจ็ดอธิโมก ค, ความน้อมใจเชื่อหกอธิโมก ค, ความน้อมใจเชื่อเจ็ดตักคาหะาความเพียรแปดอุปัปฐานคือสติเก้าอุเบขาความวางจิตเป็นกลางสิบนิกันติความพอใจอเมื่อพิจารณาและเห็นเป็นอริยผลก็จัดเป็นญาณทัศนวิสุทธิหมดจุดแห่งยาณทัศนะ น, นับเป็นอครบเจ็ดที่อ ตามเป้าหมายในบาลีว่าเอเสวะมัคโคนักถันโยทัศนัตะวิสุทธิยาทางนั่นแหละไม่มีทางอื่นเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะเอาละการบรรยายเรื่องอวิสุธทธิเจดมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะพูดในหัวข้อว่าสันติ ความสงบคําว่าสันติความสงบในที่นี้ก็หมายถึงว่าสงบจากกิเลสตัณหาสงบจากกิเลสตัณหาใอ้ความสงบอันนี้หมายถึงว่าเป็นความสงบที่ไม่มีกิเลสตัณหามารบกวนเรียกว่าเป็นความสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจ อันนี้ก็มีอุเทศว่ า, าสันติมัคคเมาะพาระโรหยะซึ่งก็แปลว่ า, าจงพอคูณทางแห่งความสงบนะจงพอคูณทางแห่งความสงบนั่นแหลในอุเทศข้อที่สองว่านัตสันติป ร, รังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบย่อมไม่มีในอุเทศข้อที่สามว่า โลกามิสังปาเฉเหผู้ที่หวังความสงบก็พึงละอามิตรในโลกเสียอาสับว่าสันติความสงบนะหรือว่าสันติมรแตแปลว่าทางแห่งความสงบอาสันติเป็นผลสันติมรตเป็นเหตุอผู้ประสงค์จะถึงความสงบจะต้องเดินทางสันติมรตเปรียบอ่เทียบพอเลงเห็น คือสันติมรักเปรียบด้วยการบริโภคอาหารสันติเปรียบด้วยการอิ่มในเมื่อบริโภคอาหารเสร็จคือหมายความว่าสันติมรักทางแห่งความสงบก็คือว่าการการบริโภคอาหารเพื่อบําบัดความหิวบําบัดความหิวกระหายแต่เมื่อเราอิ่มแล้วนั่นแหละถึงสันตนิคือการอิ่มหมายถึงการบริโภคอาหารคือความสงบแล้ว อันหนึ่งสันตินั้นก็ย่อมเป็นไปในายทวารในรายทวารมีบาลีรับรองไว้ว่าสันตังตัจสะมะนังโหติสันตาวาจาจะกรรมวจจะแปลว่าจิตใจของผู้นั้นย่อมเป็นทวารสงบแล้ววาจาและกายก็เป็นทวารสงบแล้วเรียกว่าสงบกาย อสงบวาจาก็จัดเป็นความสงบภายนอกสงบใจจัดเป็นความสงบภายในกายวาจาเป็นแต่เพียงภายนอกใจอเป็นภายในนะเป็นภายในย่อมเป็นสําคัญนะเมื่อใจสงบแล้วกายวาจาก็ย่อมสงบตามกันด้วยนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน อันนี้พระพุทธองค์ท่านเลยตัดไว้ว่ามนโนปุปพังขมารรมามนโนเสถามนโนมยามนัสสาเจปุทุเถนะาสติวากรโรติวาทาทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจบุคคลมีใจชั่วแล้วจะพูดก็ตามจะทําก็ตามก็ ทุกย่อมตามเขาไปเหมือนล้อตามรอยเท้าโคผู้ลากไปเชนั้นหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามโนปุกพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนโมยามนาัสสามนัสเจประสันเนนะาสติวากรโรติวาตะโตนังสุขมันเวสุขมันเวติถายาวอนุปายินีทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วด้วยใจ บุคคลมีใจดีแล้วจะพูดหรือทําสุกย่อมตามสนองเขาเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นฉะนั้นอคนเรานั้นมีใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะใจนี่เป็นผู้สั่งนะสั่งอะไรสั่งกายกายคือคือกายกับวาจาจะให้มือทําอะไรจะให้ปากพูดอะไรเนี่ยอยู่ที่ใจทั้งนั้นนะคนเราจะทําชั่วพูดชั่ว หรือว่าจะทำดีพูดดีก็ย่อมอยู่ที่ใจเมื่อใจชั่วทาชั่วการพูดก็ชั่วเมื่อใจดีทำดีการพูดก็ดีนะอันนี้ก็ก็เหมือนกับบาลีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั่นแหละที่นี้ผู้ที่ปรารถนาความสงบคือสันติก็ต้องมีปฏิปทาคือหมายถึงว่าจะต้องมีทางเดินทางเดินให้ถึงสันติ ท่านบอกไว้ว่าคู่ที่ปรารถนานะปรารถนาจะถึงความสงบก็พึงปฏิบัติดังนี้คือหนึ่งเว้นจากการเบียดเบียนกันนะเว้นจากการเบียดเบียนกันคนเราถ้าหากว่าเบียดเบียนกันแล้วมันจะสงบไม่ได้นะสงบไม่ได้มีแต่ทุกมีแต่โทษนะมีแต่ทุกมีแต่โทษ การเบียดเบียนกันก็นำมาซึ่งทุกข์นำมาซึ่งความเดือดร้อนนำมาซึ่งการทะเลาะเบาแวงนำมาซึ่งการประหัตประหารกันฉะนั้นเราจะต้องไม่เบียดเบียนกันยิ่งไปกว่านั้นการเบียดเบียนกันนี้ทําให้อายุสั้นเป็นการทากจากกันอาจจะเป็นการทากพ่อทากแม่ทากลูกกับพ่อแม่ทากผัวทากเมีย อ, อะไรก็แล้วแต่อื นี่มาจากการเบียดเบียนกันฉะนั้นถ้าเราปรารถนาความสงบก็ต้องเว้นจากการเบียดเบียนกันประการที่สองชักนำเพื่อการสามคัคคีผู้ที่มุ่งความสงบจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในความสามัคคีทั้งความสามัคคีแต่ว่าร่วมทางกันนะร่วมทางกัน คนจะชักนําให้เกิดความสามัคคีนั้นจะต้องเป็นคนมีน้ําใจต้องเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวต้องเป็นคนมีความอดทนต้องเป็นคนมีเมตตาการุณาความสามัคคีจึงจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวคอยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะความสามัคคีก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่การแตกแยกมีแต่การแบ่งชั้นวรรณ ะ, ะมีแต่ ใจดำอมเมชิดเบียดเบียนกันทำลายกันอย่างนี้ความสามัคคีมันก็ไม่เกิดขึ้นนะความสามัคคีมันก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องเป็นไปตามหน้าที่ตามกฎตามเกณฑ์ตามกติกาถ้าหากว่าเราทุกคนทำตามหน้าที่ความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นเมื่อกิจการอันใดที่เราจะต้องทำร่วมกันเราก็ร่วมกันนะเรียกว่าเมื่อถึง คราวทํากิจเราก็ทําร่วมกันเมื่อคราวเลิกเราก็เลิกพร้อมกันอันนี้เราจะไม่มีความทุกข์เลยเราจะไม่มีความเสื่อมเลยเราจะมีแต่ความสุขความสามาคัคคีอันนี้ท่านก็ยกตัวอย่างเรื่องสามัคคีอันนี้ก็อยากจะพูดให้นกักเรียนนักศึกษาได้ฟังง่ายๆนะฟังง่ายๆสักนิดนึ่งคื อ, อยังมือของเราเนี่ยมีอยู่ห้านิ้ว นะมือของเราเนี่ยมันมีอยู่ห้านิ้วสองมือก็สิบนิ้วใช่ท่านอาจจะค้านว่าบางคนนะ่ะมีตั้งสิบเอ็ดนิ้วสิบสองนิ้วอย่างนั้นก็มีบางคนก็อาจจะมีสิบนิ้วสิสิบสองนิ้วอย่างว่าแต่ว่ามีน้อยมือหนึ่งเนี่ยมีห้านิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยมันมีหน้าที่แตกต่างกันไป คือมีนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วโป้งนะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนี่ทั้งห้านิ้วแต่ละนิ้วมีหน้าที่ของมันอย่างเช่นหูนิ้วหัวแม่มือนะนิ้วหัวแม่มือมีหน้าที่อย่างไรมีหน้าที่ในการยกย่องคนทำความดีนะยกย่องสิ่งที่ดีที่งามให้เกียรติน่ะ คนจะให้เกียรติคนจะยกย smaller, ่องบ่าวผู้นั้นทําด <inaire> ีทําเด่นเราจะย่องยกหัวแม่มือหมายคนนั <gon> ้นยังนี้เลยหมายเยี่ยมอ่ายอดอ่แล้วก็ยกนิ้วหัวแม่มือขึ้นมาว่าคนนี้ยอดคนนี้เยี่ยมมีไหมคนที่จะยกย่องคนแล้วไปยกนิ้วก้อยบอกแหม่คนนี้เยี่ยมเลยอย่างเนี้ยมันไม่มีเต้นไปไม่ได้นะเต้นไปไม่ได้นะเราจะต้องยกหัวแม่มือไปยกนิ้วก้อยไม่ได้จะไปยกนิ้วชี้บอกแหม่นี่แน่มันก็ไม่ได้ไปยกนิ้วนางก็ไม่ได้ไปยก นิ้วกลางก็ไม่ได้มันต้องยกนิ้วหัวแม่มือนี่มันใหญ่มันเป็นใหญ่มันยอดเยี่ยมนี่ส่วนนิ้วชี้ก็เหมือนกันนิ้วชี้นี่มีหน้าที่ในการชี้นะมีหน้าที่ในการชี้คือใช้งานบอกงานว่าต ร, ต, รนะ ต, ร ต, ตรงนั้นตรงนี้นะตรงนี้ต้องทำอย่างนี้ตรงนั้นต้องทาอย่างนั้นอ่าใครทาละ่ะคนโน้นคน น, น, ค น, นี้เนี่ยเราก็ชี้ไปสิชี้ไปตรงโน้นตรงนี้นี่ อันนี้คนที่จะเป็นคนชี้ได้นั้นจะต้องเป็นคนมีความรู้ต้องเป็นหัวหน้างานอ่านะเป็นหัวหน้างานจึงจะชี้ได้ถูกไอ้คนไม่รู้แล้วก็ไปชี้มันก็ไม่ถูกฉะนั้นที่เรามักจะพูดกันว่าไม่รู้ไม่ชี้อันนี้ถูกนะไม่รู้ก็ต้องไม่ชี้แต่คนไม่รู้ชอบชี้นี่สิมันชี้ผิดนะมันชี้ผิดไม่รู้แล้วชอบไปชี้ไม่รู้ก็ต้องไม่ชี้นะก็เหมือนกับไอ้คนตาบอดจุ่มคนตาบอดก็ตกคลองหลอดพอดี <slash S 2> นตายทั้งคู่อฉะนั้นอันนี้เราจะต้องชี้ให้เป็นเราจะต้องใช้นิ้วชี้ไม่มีใครเราจะใช้คนแล้วก็เอาหัวไม่มือไปชี้บอกอ้าหยิบโน่นมาทีเอาหัวไม่มือไปไม่มีหรือว่าจะเอานิ้วก้อยไปชี้บอกอ้าหวานหยิบโน่นทีมันก็ไม่ได้ต้องใช้นิ้วชี้นี่หน้าที่ของมันในตัวนิ้วกลางก็เหมือนกันอา่านิ้วกลางเนี่ยมันเป็นนิ้วที่ยาวกว่าทุกๆนิ้วในห้านิว้วนะ การชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีการหยิบของใกล้ของไกลอถ้าของมันไกลหรือของนั้นอยู่สูงใช้นิ้วหัวแม่มือไม่ถึงนิ้วชี้ไม่ถึงนิ้วก้อยไม่ถึงนิ้วนางไม่ถึงเอานิ้วกลางใช้ได้นิ้วกลางมันสูงยาวกว่าเขาจะกิบหน่อยเดียวเดี๋ยวก็หลุดหรือยาวก็คืบไปสันิดหน่อยเดี๋ยวก็มาได้นี่หน้าที่ของนิ้วกลางอาส่วนหน้าที่ของนิ้วนางชื่อก็บอกว่านิ้วนางแสดงว่าเป็นนิ้วผู้หญิง นีนิ้วนิ้วที่รักสวยรักงามนิ้วนี้เป็นนิ้วประดับประดับของสวยของงามก็คือประดับเพชรนินกินดาคนเขาจะมั่นกันเขาต้องสวมนิ้วนางนะสวมแหวนเพชรที่นิ้วนางไม่มีใครไปสวมนิ้วหัวแม่มือบอกเดี๋ยวขอมั่นหน่อยแล้วก็จับนิ้วหัวแม่มือมาสวมอย่างนี้มันก็อ่าเต็มทีนะคนนั้นเต็มทีไม่ค่อยเต็มผลแล้วถ้าไปสวมนิ้วหัวแม่มือแล้วสวมไปแล้วมันก็ไม่งามด้วยนะไม่งามสวมนิ้วชี้ก็ไม่งามสวมได้แต่ไม่งาม ฉะน้นาสวนงามต้องสวนนิ้วนางนะฮส่วนที่นิ้วนานอ่าแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือนิ้วก้อยเป็นนิ้วน้องนุษสุท้องนะนิ้วก้อยนี่จะเล็กกว่าทุกๆนิ้วนะเล็กกว่านะแล้วก็สั้นนะสั้นอาจจ ะ, ะยาวกว่านิ้วหัวแม่มือหน่อยนะแล้วก็สั้นเล็กฉะนั้นชีวิตประจําวันของเราก็คือบางอย่างบางครั้ง เราจะต้องหยิบต้องใช้ในช่องเล็กๆในรูเล็กๆใช้หัวแม่มือเข้าไม่ได้ใช้นิ้วชี้ก็เข้าไม่ได้ใช้นิ้วนางก็แย่เข้าไปไม่ได้อใช้นิ้วกลางก็แย่เข้าไปไม่ได้เหลืออะไรเหลือนิ้วก้อยนิ้วเล็กก็เอ า, เอานิ้วเล็กนี่แย่เข้าไปสําเร็จตะ ก, กิจต ก, กิจหน่อยหลุดแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอประธานโทษแค่ที่มูกดีที่เล็กนิ้วก้อยอหน้าที่ของมันก็คือแค่ที่มูกดี ืครยาวหัวแม่มือไปแคะเดี๋ยวก็จะโมกพังกันพอดอีต้องใช้นิ้วก้อยนี่แล้วในนิ้วห้านิ้วเนี่ยเมื่อมีหน้าที่อย่างนี้แล้วแต่ถึงค่าวจําเป็นจะต้องอปร ะ, ะสานส า, สามเมืกี้กันก็หยิบพร้อมกันเช่นเราจะหยิบของต่างๆเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งห้านิ้วหยิบแก้วหรือว่าจะเปิบคำข้าวเนี่ยเราต้องใช้ทั้งห้านิ้วอ่ามันจึงจะสําเร็จจะเอานิ้วหัวแม่มือจิ้มไปในชามกับข้าวเนี่ยก็ไม่ติดสองนิ้วก็ก็ไม่อินสามนิ้วก็ไม่อินสี่นิ้วก็ไม่อิน แต่ว่าถ้าทีเดียวห้านิ้วเนี่ยเปิดมาทิ้งโอ้สบายนะสบายเลยเนี่ยต้องห้านิ้วฉะนั้นนี่แหล ะ, ะคนเราเหมือนกันถ้าหากว่าทุกคนทำตามหน้าที่ความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นนะสามัคคีก็จะเกิดขึ้นนี่ก็เป็นทางแห่งสันติคือความสงบกายสงบวาจาสงบใจมาในข้อที่สามคนที่ปรารถนาจะ สงบกายสงบวาจาสงบใจจะต้องเว้นจากการทะเลาะวิวาทหรือพระรุกสวา่ากล่าวคําหยาบต่อกันก็การทะเลาะวิวาทนั้นคือการที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันไม่ตรงกันก็จึงมีการทะเลาะอันนำมาซึ่งการแตกแยกประหัตประหารตีชกต่อยกันจนถึงที่สุดบาดเจ็บล้มตายนะหรือพูดคําหยาบ ก, ก็เป็นคําที่ไม่เพาะไม่รื่นหู ฉะนั้นเราจะต้องเลกเว้นความ <c oughs> วิวาทบาทหมางกันแล้วก็พูดแต่คําที่น่ารักคําที่ไพเราะเป็นเหตุที่จะจูงใจทําใหา้ชวนแก่การที่จะประพฤติปฏิบัติตามนะชายหุ่หญิงสาวที่จะรักกันได้ก็ต้องใช้คําพูดที่น่ารักใช้คําพูดที่เพราะเพรา ะ, ะคุณพี่อย่างนั้นน้องอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่พูดแล้วมันก็เพราะพิงจระหูเรื่นหู ฟังแล้วก็ชวนใ ห, ให้ชื่นชมนิยมชอบนะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงบอกไว้ว่าถึงคราพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักร ถ, ถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิ จ, จะชอบกิดในมนุษย์พะพูดจาเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากโหยหิวเขาจิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงวิเคราะห์ให้เหมาะามนี่ต้องพูดเหมาะ อันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นปากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายนี่อไอผ ล, ละหมากรากไม้ที่มันหวานน่ะมันก็หวานชั่วลิ้นกินแล้วก็หายแต่ว่าลมปากในพูดไปแล้วมันหวานข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีนะพูดไปเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ยังจําได้แหมพูดเพราะเลอเกินจับจิบจับใจเลอเกินนี่ฉะนั้นเราจะต้องพูด ค, ครรําไพเราะ อ, อ่อนหวานต่อ ก, กันก็จะทําให้เราได้เกิด แรงดลใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามเกิดความสงบลายสงบวาจาสงบใจได้แล้วก็เราจะต้องกล่าวถ้อยคำอันสุภาพต่อกันประการที่ห้า น, นึกแต่ในทางเมตตากรุณาก็คือว่าปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารกันในเมื่อผู้อื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามฐานนะคนเราถ้าหากว่าไม่มีเมตตาปรารถนาดีต่อกันโลกก็จะลุกเป็นไฟ ร้อนเป็นไฟเมตตานี่แหละมันเป็นน้ําที่จะ อ, ะอาบอกํำซาบความร้อนให้หายไปได้เราจะต้องมีเมตตาเช่นคนมีความโกรธความขึงเค ร, เรียดเอเกลียดกันอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีเมตตารู้จักให้อภัยต่อกั น, นะปรารถนาดีต่อกัน คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนก็ประสบความสุขบางคนก็ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งๆที่เราก็ไม่ตาณนาที่จะให้มันเป็นทุกข์แต่มันก็อดไม่ได้อันนี้มันก็เป็นวิถีทางชีวิตของการดําเนินชีวิตทุกๆคนต่างแต่ว่าใครจะทุกข์มากทุกข์น้อยฉะนั้นเมื่อใครมีทุกข์มากเราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามฐานะโดยเฉพาะในยามที่เกิดวาตภัยอัคคีภัยโจรภัย อุทกภัยอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องช่วยเหลือกันนะต้องช่วยเหลือกันอ่าจนอ่ขนาขณะนี้ก็ทราบว่าจะมีพายุมาเข้าทางภาคอีสานเนี่ยบางทีพัดมาทีนก็ทําให้บ้านเรือนเสียหายคนล้มเจ็บตายกันเยอะนะเราก็ต้องช่วยเหลือเกื่อกูลกั น, กนประการสุดท้ายที่หกก็คือว่าพยายามฝึกหัดจิตให้เป็นไปตามประมัติปฏิภทาคือหมายถึงว่าทางที่จะดําเนินให้ถึง ประมัติก็คือถึงที่สุดก็คือฝึกจิตให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาต้องฝึกอยู่เรื่อยทันโตเศธโหมนุษย์เสสุคนที่ฝึกจิตใจดีแล้วเป็นยอดคนหรือว่าเหนือคนถ้าพูดตามรากฐานของศัพท์ก็คือว่าทันโตเศธโหมนุษย์เสสุในบรรดามนุษย์คนที่ฝึ ก, กจิตฝึกใจนั่นแหละกระเสริ แต่เราพูดสมัยว่าในบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายคนที่สุกจิตใจนั่นแหละเป็นยอดคนนะเป็นยอดคนดันั้นอันนี้ก็พระบรมศาสดาท่านได้ตรัสสอนเอาไว้นะทั้งหกข้อนี้กเ็เพราะว่าสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีนะนัตติสันติปรังสุขขังนะความสงบด้ถือว่าเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมนะเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยม สุกอื่นๆก็มีแต่ว่ามันสุกไม่นานนะสุกไม่นานเป็นสุกไม่จริงอ่าสุกไม่สดชื่นเป็นสุกสุกดิบๆนะเป็นสุกที่เจือด้วยทุกเป็นสุกที่เจือด้วยอามิ t h เป็นสุกเทียมอ่าต่อเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาจึงจะมองเห็นได้นะฉะนั้นกามาสุขคือสุขอันเกิดจากการอารมณ์แต่ก็มีสุขแม้จะมีสุขแต่ก็เป็นสุขของโลกีชน เข้าใจกันแต่ก็เจือด้วยความร้อนรุ่มกลุ่มไปด้วยกิเลสนะเมื่อได้สมประสงค์แล้วก็ต้องคอยระแวดระวังรักษาคอยหามาจุนเจืออ่จะาหาได้ไม่พอก็เฝ้าแต่เป็นทุ ก, ก, กข์กังวลกวาดใจอขันกามารมอวิบัติไปกว่าเกิดเจ้าโศกเสียใจไม่เป็นอันกินอันหลับอันนอนเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนะั้นนะมันเป็นทุกข์ไปหมดอืมฉะนั้นอันนี้แหละ จึงบอกว่าไอ้ศกอื่นนอกจากความสงบไม่มีสุขที่เราได้เกิดจากลาบลาบยศุกสันเรินก็ย่อมบะกลนไปด้วยความทุกข์คือพอเราได้ได้ลาบก็ต้องเฝ้าคอยระวังรักษาไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะกลัวว่าผู้อื่นจะมาจกยิงเอาลาบของเราไปเราถูกหวย รางวัลที่หนึ่งก็กลัวกลัวคนโน้นจะรู้จะมาจี่มาปล้นกลัวจะจับไปรเรียกค่าทายเนี่ยเป็นทุกข์อีกแล้วบางทีก็อาจให้ถึงชีวิตได้เนะสี่คนมีการจี่ปล้นฆ่ากันนี้ก็เหตุรารฏเกิดขึ้นอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามสื่อมวลชนอยู่บ่อยๆนะอยู่บ่อยๆฉะนั้นจึงบอกว่าเมื่อเรา ได้ลาบได้ยศได้สุขได้สังเสริญแล้วก็กลัวนะเมื่อได้สังเสริญแล้วก็ชวนให้มึนเมาบัวเมาระเริงใจอันนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อีกเหมือนกันสุขที่เกิดจากความชนะกันหรือการเล่นการพ น, นันการต่อสู้กันแข่งขัน ก, กันโต้กันตลอดถึงการรบพุ่งกันอะไรก็แล้วแต่ย่อมเกี่ยวกับเรื่องทุกโศกโรคภยัยหรือเป็นเวรเป็นภัยกันทั้งนั้นคือผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อ ม, ออมอระทมทุกข์ ต่างเขายามมุ่งร้ายหมายแก้มือกันอยู่นะอยู่เรื่อยไปหาที่สุดนี้ได้ส่วนสุขที่เกิดจากความสงบเป็นแต่เพียงภายนอกเช่น เ, เรามีไมตรีจิตต่อกันนักใคร่ปรารถนาดีต่อกันรองดองกันก่อแต่พืชกายว่าใจของตนให้เรียบร้อยไม่เบียดเบียนทำร้ายกันไม่ทะเลาะวิวาทกันทั้งในทางตรงและทางอ้อมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมอยู่กันด้วยความผาสุขกเกษมําราไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เป็นภายในก็เช่นว่ า, เ, าเรานึกถึงการอยู่ด้วยความไม่มีเวรไม่มีภัยกับผู้อื่นก็มานึกถึงศีลอาจาระที่ประพฤติธปฏิบัติมาโดยเรียบร้อยแล้วก็พยายามสะกดจิตจากกิเลสเ อ, อย่างเบานะหรืออย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีราคะพวกราคะความอิจฉาทีะยางนี้เป็นต้องนะคอยสงบไว้นะสะกดไว้ ขมไว้จนกระทั่งที่สุดเราก็ฝึกจิต ด, ด้วยการนั่งสมาธินะนั่งสมาธิก็สามารถที่จะปราบกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางให้ละเอียดลงไปได้จนกระทั่งถึงที่สุดเมื่อจิตสงบถึงที่สุดปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วเราก็ได้สุขที่ใจอย่างแน่นอนนะสุขสดชื่นนะเกิดมาจากความสงบจากกิเลสอย่างดุขุมลุ่มลึก ย่อมเป็นสุขแจ่มใสยอย่างสนิทสนมฉะนั้นผู้ที่มุ่งสันติย่อมเป็นสุขอย่างแท้จริงอฉะนั้นสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องละโลกามิตรเสียคือละอามิตของชาวโลกคําว่าอา่าอามิตเนี่ยแปลว่าเหยื่อนะเหยื่อของชาวโลกชาวโลกเนี่ยมันกินเหยื่ออยู่ห้าอย่างเหยื่อห้าอย่างก็ได้แก่กามะคุณห้าได้แก่รูปเสียนจินรัโโขทภพัพทะนี่เนี่ยถือว่าเป็นเหยื่อนะ เป็นเหยื่ อ, อยังไงคือเราเข้าใจกันว่าอาหารเนี่ยเรากินเข้าทางปากนะเข้าทางปากแล้วก็มีการขับถ่ายออกไปนี่เราเข้าใจกันแค่นี้ให้คำว่าเหยื่อในที่นี้ยเราไม่ได้กินแต่ทางปากอย่างเดียวะทางตา ก, ก็กินได้เช่นว่าตาเห็นรูปโนดูโนโนโอ้โหแหมน่าดูจริงๆนี่เกิดความอร่อยทางตาบางครั้งเราไม่ได้พูดเราไม่ได้กลิ่นแต่เพียงแต่เห็นไกลๆนะมันไม่ไม่มีกลิ่น ไม่ได้พูดแต่เราเกิดชอบใจนะไอ้การที่เราชอบใจในมันอร่อยเรียกว่าอร่อยทางตาสนุกทางตาเสียงก็เหมือนกันบางครั้งเราฟังเสียงเนี่ยเราเกิดวอร์รชอบใจขึ้นมานี่มันก็อร่อยทางหูนะอร่อยทาง ห, างหูแม้ฟังเสียงเพราะเพราะอย่างนั้นอยงนี้เอาอกเอ า, เอาใจโอ้ชื่นอกชื่นใจนี่แหละเรียกว่าเราอริสอร่อยทางหูกลิ่นเหมือนกันเราได้กลิ่นดีๆเข้ามาตจ ม, มูกแหมรู้สึกว่าแสวงหาอยากได้บางครั้งถึงกัด อไปที่สูจกลิ่นนะถึงก็ต้องไปที่สูจกลิ่นกันนี่แหละนี่มันก็อรเด็ดอร่อยทางจมูกจนกระทั่งจมูกพังไปก็มีเป็นไซน่าไปก็มีนะรสก็เหมือนกันไอรสนี่ก็ทางปากอันนี้ก็ชัดอยู่แล้วโหชัพทะอันนี้ก็ความอรเด็ดอร่อยทางกายทางเนื้อหนังมังสาการสัมผัสกันกอดลูกจูบค้ำอะไรกันก็แล้วแต่อารมณ์แต่น่ารักหน้าปรารถนาหน่าใสหน่าชอบใจสิ่งเหล่านี้เลยได้ชื่อว่าเป็นโลกามิส เพราะเป็นเครื่องล่อใจให้ติดอยู่ในโลกดุดเหยื่อที่เกี่ยวเบ็ดอยู่ฉะนั้นนะปลามันติดเบ็ดก็เพราะมันหลงเหยื่อมันติดเหยื่อมันมันนึกว่าข้างในไม่มีอะไรแต่พอมันไปกินเหยื่อเข้าแล้วนั่นแหละพอมันติดเบ็ดเขาก็จูงไปไหนได้คนเราเหมือนกันเมื่อเราติดยูบติดเสียงติดเรียนติ ด, ร, ตดรถสดุสภะแล้วเขาจะจูงไปไหนก็ได้เราก็กลายเป็นาธาตของตัณหาเป็นาธาตของต า, าธาตของ ธาตุของรูปธาตของเสียง่าตของเป็นธาตุของรสธาตุของสัมผัสบางคนกินข้าวที่บ้านไม่ได้จะต้องไปกิ น, นําบาตำทับมีเหล้าบางบางนางงามงามมีนักร้องเพาะเนี่ต้องมีเสียงต้องมีเป็นต้องมีรสต้องมีการสัมผัสก็เคลียร์กันนี่ผลที่สุดเป็นไงเสียงเงินกินอยู่ที่บา้านสามสิบบาทกินได้ทั้งครอบครัวแต่ไปกินตามเหล้าตามบา้นั่นไม่รู้จักกี่ร้อยบางทีเป็นพันพัน ยิ่งไปพรานั้นบางทีก็กินข้ามแดนข้ามจังหวัดกินไปแล้วก็กลับมามึนเมาขับรถแทกทางโค้งบังชนกันบา้างผลที่สุดก็ตายที่เป็นปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์มีการเลี้ยงฉลองการได้ปริญญาการสอบเสร็จแล้วก็ขับรถจนเกาะกลางบังชนเสาไฟฟ้าบังตายในระนาดไปห้าหกศอกอันนี้ก็มีอยู่ทุกวันนี่าะ โดยมากก็เกิดมาจากมัวเมาในรูปเสียงตื่นรถโปรดับพระอันเป็นเหยื่อของชาวโลกนั่นเองฉะนั้นการที่เราทําใจไม่ติดอยู่ในคามาุดห้าจึงเป็นปฏิปทาของท่านผู้รู้ผู้สงบดีนะผู้รู้ผู้สงบดีฉะนั้นจึงบอกว่าสันติเป็นได้นะสันติความสงบเป็นได้ทั้งโลกียะและโลกุตตระเช่นเดียวกับวิจุธิเป็นได้ทั้งโลกียะและโลกุตรกกกตระ อันนี้มีบาลีรับรองไว้ว่านะฮิรุนเนนะโลโโซเกนะสันติงัปโติโเจตโตบุคคลย่อมถึงความสงบแห่งจิตด้วยการร้องให้ด้วยความเศร้าโศกก็หาไม่คือหมายความว่าไอ้ความสงบแห่งจิตใจของเหล่านั้นไม่ได้อร้องให้ไม่ได้ไม่ได้ร้องให้รใ ห, หรือว่าเศร้าโศกเสียใจยแล้วจึงถึงความสงบไม่ใช่ อันนี้เพราะการฝึกนั่นเองสงบจากกิเลสตัณหานะสงบจากเหวี่ยงของชาวโลกทนะีนี้ส่วนสันติที่ที่เป็นโลกุตระก็ได้ในบาลีว่าโลกามิสังปัจะเหสันติเปโขผู้เพ่งสันติก็พึงละโลกามิเตียนะอันนี้สมเด็จพระมหาสมุนาเจ้าท่านได้เรียงสันติไว้ในลำดับแห่งวิสุทธิก็มีอธิบายว่าจิตที่หมดจดแล้วย่อม สงบดุดผ้าที่ฟอกขาวผ่องแผ้วแล้วย่อมมีสีนวลฉนะนั้นอันนี้ก็จะมีเป็นปัญหาถามว่าจะมีปัญหาถามว่าคู่บำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อสันติหรือนิพพานจะต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ไม่พ้นไปจากโลกามิตร์แต่ปฏิปทาแห่งสันติว่าผู้เพ่งสันติพึงละ อาวิธในโลกเสียดังนี้จะได้กําลังที่ไหนมาบําเพ็ญบารมีข้อนี้จะแก้อย่างไรอันนี้เราก็ตอบแก้วา่าที่ว่าผูเพ่งสันติพึงละโลกามิธเสียนั้นไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้บริโภคปัจจัยสีแต่หมายความว่าให้ยอมสละปัจจัย <c oughs> หรือโลกาวิตนั้นนั้นหรือเหยื่อของชาวโลกนั้นๆเพื่อแลกเอาคุณธรรมคือสันติ โดยบริจาคเกื้อกูลการศึกษาสัมมาปฏิบัติรู้จักบริโภคใช้สอยบำบัดความไม่สงบบำรุงความสงบตามอำนาจแห่งเหตุไม่มีความตนหนีไม่อาลรไม่ไฝ่ฝันมัวเมาหมกมุ่นในลาบยศสรรเสริญสุขซึ่งเป็นโลกามิตรอันจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยินดีเมื่อได้ยินร้ายเมื่อเสียถึงจากจะต้องถือไว้เพราะ ถึงหากจะต้องถือไว้เพราะยังไม่ได้โอกาสก็มีความคิดสละอยู่ในใจเหมือนผู้ที่อาศัยซากศพตา่างแพข้ามฟากมิได้มีจิตใจผูกพันพอถึงฝั่งก็สละทิ้งอาดังนี้ก็จะมีกําลังปฏิบัติไปถึงสันติได้ผู้ไม่ละย่อมไม่มีหวังจะประสบสันติเลยนะไม่ประสบสันติเลยหรือถ้าจะถามว่าสันติความสงบ เป็นโลกิยะหรือโลกุตระตอบให้มีหลักบาลีด้วยแล้วก็ตอบว่าสันติความสงบเป็นได้ทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระที่เป็นโลกิยะได้ในบาลีว่านะฮิรุเนนะโสเกณนะสันติงปะโปติเจตโซบุคคลย่อมถึงความสงบแห่งจิตด้วยร้องให้เต้าโศกข้หาไหมที่เป็นโลกุตระได้ในบาลีว่าโลกามิสังปะจะเหสันติเตโขคู่เพ่งสันติก็ถึงละโลกามิเสียเอาละ